มาหายกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษแล้วก็ถามหมอว่าเนี่ยตอนนี้เขาป่วยอยู่เนี่ยเขามีเงินอยู่สามสิบรู ป, ปีแต่ว่าพอหมอไปเขาก็หาไม่เจอก็ เ, เลยสงสัยว่าหมอเอาเงินไปหรือเปล่านะะคนไข้ที่อยู่ในคลินิกหมอก็ต่อว่าพ่อลูกเนี่ยสองคนเนี่ยว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะหมอแกเป็นคนดีเสียสละจะตายมาหาว่าหมอขโมยเงิน หมอพานุก็เห็นว่าเรื่องมันช่างจะไปกันใหญ่ละก็เลยบอกว่าเออขอโทษด้วยนะเอาไปจริงจริงแล้วคืนเงินสามสิบรูปีให้สองพ่อนี้ก็ดีใจนะก็กลับบ้านแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์นี่เขาก็รู้สึกว่าโอ้หมอพานุนี่เป็นอย่างนี้เองจริงหรือนะข้างหน้าฉาบเป็นนักบุญนะแต่ไปขโมยเงินคนจน ก, ก็ลือกันไปนะต่อว่า หมอพานุนะเนียเสเส ห, หายหมอพานุก็ไม่ว่าอะไรนะก็ยังรักษาคนไข้ต่อไปถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าสายตาของคนเนี่ยมองแกนะเปลี่ยนไปนะไม่นานนะสองเพ่าลูกคนเดิมคู่เดิมก็กลับมาอีกนะแล้วก็คราวนี้ก็มาไหว้แล้วขอโทษนะบอกว่าให้เงินสาสิบรูปีเนี่ยที่หาไม่เจอที่จริงมันตกนะอยู่ข้างเตียงกลับไปแล้วเนี่ยถึงเพิ่งเจอ ก็เลยเอาเงินสามสิบรูปีมาคืนหมอนะ่ะหมอก็รับเอาไว้ชาวบ้านก็เลยรู้โอ้โหที่จริงนี่หมอพานุนี่ไม่ได้ขโมยเงินคนไข้นะก็กลับมาชื่นชมสารเสริญ น, นะถ้าตอนหลังพอหมอพานุตายนะเขาก็ทำทำอนุสาวรีย์ให้นะอันนี้เกิดขึ้นที่รัฐไมซอร์นะอินเดียได้อ่านเรื่องราวนี้ก็น่าประทับใจนะลืมบอกไปว่าสาเหตุที่หมอพานุเนี่ย อ่ารับว่าเอาเงินไปก็พ่อก็เห็นว่าเงินสาสิบรูปีเนี่ยสำหรับคนจนเนี่ยมันเป็นเงินที่มากทีเดียวสาสิรูปีสมัยก่อนก็อาจจะประมาณหกิบาทนนะปีหนึ่งสองบาทนะแต่ตอนนี้มันห้าสิบตังค์ละสมัยก่อนก็สองบาทสามบาทหมอแกก็เห็นว่าสาสิบรูปีมันเป็นเงินก้อนใหญ่นะสําหรับคนจากจนในเพราะพอ่อลูกสองคนนี้ก็เลยรับรับว่าเอาไปนะจะได้เป็นข้ออ้างที่จะคืนเงิน ที่จริงไม่ใช่คืนเงินก็คือให้เงินเข้าไปนะถ้าให้เงินปล่บปลบคงไม่รับนะก็เลยรับว่าเออเอาไปแล้วก็จะได้คืนเงินให้อันนี้ก็เป็นวิธีช่วยของหมอพานุนะที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนยากจนทั้งที่มันหมายถึงการเสียชื่อเสียงนะและการช่วยคนด้วยเสียสละเงินทองนะมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่สำหรับในบางกรณีเนี่ยมันช่วยเงินไม่พอนะมันต้องยอมเสสละ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 บางครั้งก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํานะถ้าการช่วยคนเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมนะยอมยอมให้คนเข้าใจผิดนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการสละหรือเรื่องทานนะว่ามีสามอย่างนะก็คือสละสิ่งของอันนี้เรียกทานธรรมดาถ้าเป็นอุปบบ ร, รมีก็สละอวัยวะนะถ้าเป็นปรมัาธบ ร, รมีก็สละร่างกายสละชีวิตนะแต่ที่จริงต้องมี มันต้องมีอย่างหนึ่งนะสำหรับโดยเพราะสหรับยุคนี้คือการสละชื่อเสียงหมายความว่าถ้าจะช่วยเขาเนี่ยบางทีก็ต้องยอมให้คนหนึ่งเข้าใจผิดนะอย่างเราเคยได้ยินเรื่องราวของท่านฮากุอินนะฮากุอินนี่เป็นพระญี่ปุ่นนะเมื่อสองร้อยปีที่แล้วมีวันหนึ่งก็มีคนมาโจดว่ามีผู้หญิงกล่าวหาว่าท่านเนี่ยทำเขาท้องนะ หญิงสาวนะมากราหาว่าท่านเนี่ยทาเขาท้องพ่อแม่งหญิงสาวก็มาต่อว่าด่าว่าท่านเสียหายเลยนะว่าเป็นพวกนะมือถือศักปากถือศีลนนะทำผู้หญิงท้องท่านก็ไม่ได้แก้ตัวนะั้นก็พูดไปว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอและต่อมาพอผู้หญิงคลอดลูกนะพ่อแม่ของผู้หญิงก็เอาทาลกเนี่ยเอาหลานเนี่ยมาให้ท่านเลี้ยง ท่านก็พูดเพียงแค่ว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอแล้วท่านก็เลี้ยงไปนะเลี้ยงเด็กเช็ดขี่เช็ดเดี่ยวป้อนหาไปหานมมาเลี้ยงเด็กทารกก็เรียกว่าอุ่นวายพอสมควรเพราะท่านไม่เคยเลี้ยงเด็กแค่นี้ก็อยากพอแรงอยู่แล้วนะยังไม่ต้องนับว่าชาวบ้านเนี่ยก็กล่าวหาท่านนะหาว่าท่านเป็นคนที่เป็นคนเลวเลยก็ว่าได้นะเป็นผ้าที่ใช้ไม่ได้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 ไม่กล้าบอกความจริงก็เลยโยนความผิดไปให้ท่านฮา ก, กูอินตกลงความจริงก็เริ่มปรากฏนะพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็เลยมาหาท่านที่วัาแล้วก็ขอโทษขอโพยขอโท ย, ขอ โ, ทยขอโพยใหญ่เลยนะเพราะว่าไปหาว่าท่านเป็นพวกมือถือศากปากถือศีลนะทำให้ชาวบ้านที่เข้าใจท่านก็ผิดทั้งหมู่บ้านเลยท่านก็ไม่วาเลยก็เป็นพูดเพียงว่าเอออย่างนั้นเลยนะ ใครว่าท่านท่านก็อย่างนั้นหรือใครชมท่านนะท่านก็ว่าอย่างนั้นหรือเนี่ยเขาก็ชมท่านนะว่าเป็นพระที่ดีมากนะยอมเสสละนะคือที่ท่านทํานั้นนก็เพื่อช่วยนะช่วยผู้หญิงนะผู้หญิงเขาท้องนะแต่ ก, ก็ไม่กล้าบอกความจริงแล้วก็คงอยากจะช่วยอนะเดี็กผู้ชายด้วยนะเพราะว่าในเมื่อเขายังไม่พร้อมนะท่านก็รับเองนะอันนี้เราเป็นการเสสละมากทีเดียวนะนะ การช่วยคนบางคนนี่บางครั้งเนี่ยมันหมายถึงการที่ต้องยอมให้คนอื่นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าหากว่ามีเมตตากรุณามากนี่ก็ต้องยอมนะอันนี้ก็ถือเป็นการบําเพ็ญบารมีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถึงแม้ว่าบารมีข้อ น, นี้นะไม่มีอยู่ในในตํารานะเพราะอย่างที่ว่านะทานสามระดับเนี่ยก็พูดแต่เพียงว่าสละทรัพย์สินนะสละอวัยวะแล้วก็สละชีวิตนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะช่วยคนเนี่ยมันไม่พอเท่านั้นนะ มันต้องสละชื่อเสียงด้วยนะคือยอมไม่ควรเข้าใจผิดอันนี้เป็นต้องถือว่าเป็นการถ้าใครทําได้นี่ก็ถือว่าน่าอนุโมทนามากแล้วก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีด้วยนะเพราะว่าเป็นการ <Okay. S 1> ลดละอัตตาตัวตนไอนะ้ชื่อเสียงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอัตตานะคนเราอยากได้คนชื่นชมสรรเสริญเพราะว่ายังมีอัตตาตัวตนหรือว่ายังยึดยึดถือในตัวกูของกูอยู่นะใครมาต่อว่าหรือใครเข้าใจผิดก็รู้สึกว่า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 ใครมาดา่ามาว่าแล้วก็เฉยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ถูกกล่าวหาว่าค่านางสุนทรีนะน่นางสุนทรีนะทําทีว่ามาหาพพุทธเจ้าตอนเย็นเนะญาติโยมเขาเดินออกจากวัดเชตวันนางสุนทรีก็ทําทีมันก็เดินเข้าวัดตอนเยนเย็นพอตอนเช้าญาติโยมมาวัดใส่บาตรก็เห็นหนางสุนทรีเดินออกมาจากวัดเหมือนกับว่าอยู่ที่นั่นทั้งคืนทําอย่างงั้นเนี่ยหลายวัน แต่แล้วนางสนเทีกายนเป็นศพนะเพราะว่ามันเป็นแผนของพวกอัญญาตเดรธีนะต้องการที่จะใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าฆ่านางสนเทลเพื่อปิดปากนะแล้วคนสาวัตถินี่ก็ลือกันใหญ่เลยนะว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่นะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะที่ทำมาทั้งหมดนี่มันเป็นการเป็นการอหลอกลวงทั้งสิ้นนะกล่าวหาพระเจ้าไปฆ่าพระองก็นิ่งนะ นิ่งไม่แก้ตัวนะคนเข้าใจผิดยังไงท่านก็เฉยนะจะว่าพระองค์ทุกข์ก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มีตัวตนที่จะทุกข์ละแต่รู้ว่าโราณีแบบนี้นี่พูดไปก็ไม่มีประโยชน์จนทั้งผ่านไปเจ็ดวันนะความจริงก็ปากเปิดาออกมันมีมันเป็นแผนลวงนะของพวกอัญญาเดลถนะีคนฆ่าก็สารภาพเองว่าไปฆ่าไปคุยโม้ไปคุยโม้แล้วไปเข้าหูจารชนนะจารชนหรือสปายนี่ก็เลยไปบอก ไปบอกพระเจ้าเปเสนทิโกโสวนก็เลยจับคนฆ่าได้คนสาวธีนี่พอรู้ว่าพระเจ้านี้ไม่ได้ฆ่านางสุนทรีก็หันกลับมาสรรเสริญแต่พระองค์ก็เฉยนะเพราะว่าไม่หวั่นไหวกับคําสรรเสริญดินทาอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องคนที่ไม่มีอัตราตัวตนที่จะทุกข์นะเพราะว่าคําดินทาหรือคําต่อว่าถึงแม้พวกเรายังมีตัวตนอยู่นะแต่ก็ต้องฝึกนะฝึกกับฝึกกับการที่คนเนี่ยต่อว่า ฝึกจากการที่คนเข้าใจผิดนะอย่าไปโกรธอย่าไปโมโหนะอย่าไปตีโพยตีพายถือว่าเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ฝึกเรานะหรือจะนึกอย่างหมอพานุก็ได้ว่านะช่วยคนนะก็ต้องใช่ช่วยคนอย่างให้ได้เรื่องนะบางทีมันก็ต้องยอมให้คนเข้าใจผิดไม่งั้นก็ช่วยไม่สําเร็จนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อน่าจะอามาเป็น แดบฝือกัดนะของเราในการที่จะลดละอัตราตัวตนหรือว่าเจริญยเมตตากรนาให้งอกงามเตรียมรับ